จะอมทองเทปฏิบัตดถันในฐานะมาบวกโนธรรมะเพุ่ญชะจะเป็นชายก็ตามเป็นหญิงก็ตามตั้งใจมาบวกบวกตัวนี้จะว่าพอบวชไทพอวัดะะระเราวาเรียนรูปแบบบวกเรียนรูปแผลเรียนแบบตอในถังแถ า, า, างบวกให้รู้สึกจงรู้คนัญยา ในหน้าที่ททจิตตะเพรงไรับผิดชอะธเ้าสองให้ลึกซึ้สอถึงความแท้พระพุทธเาเสมอเราทั้งทั้งหลายมาเวลาจาปัดจะจริงขอให้มาด้วยความตั้งใจมาด้วยศรัทธามาด้วยความเพื่อมาด้วยความเล่อมสอาจจะเห็นของตึงและเห็นของแท้ในตัว่งข้าง จะวิจัยประเมินผลได้เลยว่าตัวข้แท่าดูตัวประการใดมาเป็ะกัดถึงใจด้วยของจริงมอการมาปฏิบัติธรรมาบวชในพระพุทธ ศ, ศาสนาอยากเข้าใจผึกที่จะบวชตีพราม์ตามวัดบวชชีพราหมณตามวัดไนอนเบืออเกี่ยวกันที่กันขลาดแล้วก็นีมนุษยะมาเทศหลายวัดหลายจังหวัดหลายลดหลายเลื่อนเปลือนเวลา ไม่ฟราบว่าจะเอาแบบไหนอย่างไรง่าจะเข้าบวชให้จึงบวชให้ถึงใจได้รัตนภาพรายยุทเนี่ยของใจไปเรื่อยๆไม่ใช่บวชให้ใจว่านงเหลือห่มเหลืองกล่าวเลยเนี่ยมอนุเหลือห่มเหลืองกันเนี่ยจวันที่ผ่านวันนะไม่รู้มองมเห็นสึกนะยกหากักผียังไม่ได้สิแค่ไม่ได้เลย ในกรุงแทพนิยมนะเอาลูกไปบวชเดว pues ันท่านทั้งหลายเป็นนักกรรมฐานนักบวชอย่างนี้แ่พรเจ้าลูก่องไปบวชแค่เิดวันพุทธวันก็เสียใจลอดทีพระท่านสิงห์ในธรนบวชแค่หนึ่งภาษาสามเดือนเดียดไม่ไ้หนึ่งตือสิบสองเดือนไปบวชแค่สามเดือนไม่ด้เกเดวัน อย่างเนี้ยปูรุยเยอะแลุยเยอะเดือดจะดินกรอกคู่ทอดจะไปเดินกลางถนนจะเล่นลื่นเลียงเดือยวัตถุโลกาทิวัตโลกาทิแมตุกใจเลวการส่ำชาตุยาบ้าทัเยอะชายญิงยุคใหม่สมัยขาทธรรมะทําสอนของพระพุทธเจ้าขามารยา ขาดชาติพืดีไล่สินทร์ไม่มีกิจการที่มีประโยชน์จะกหนแห้นเลยพระเกินมากท่านผู้บวกแล้วเป็นมหาบุตรแห่งเมืองลิขิลาภะไม่ใช่พระบวชจนทิดเมื่อขไหนัุโค้ชไทยราชธานีนั้น มือพลเมืองเพียงสามล้านขยายอาณาเขตถึงกลันกไบุรีิงย์โกเสียง่าาสมบงบ้านชื่อมงนมาช้างงานทั้งโบราณกลมนเดี๋ยวนี้อาาเตแคคนมันจะเเยียดกันแต่ขอเจริญทรพมีธรรมะมากในสมัยที่ปู่สทมาันธ์จะเจอพระพุทธโลกตาสุโขทัยสวยนะทถุงหน้าปางสุโขทัยทองสุโขทัยใจดีมีปัญญา คือโคไทยใจยิ้มไม่ใช่ใจยักเดี๋ยวนี้เราเป็นฮะโคสิงใจยักไม่ใช่ใจยิ้มคืน้องยังโกงกลุ้มค้องลงสามัำน ห, นน ห, นหน้า อ, น, อนาจหน้าเหนืออำนาะถ่าลังคําทงกันนุ่ักลาคือพี่นองกันหัวข้าเมียเมียข้าเถียงพี่ข้าน้องน้องข้าพี่นี่หรือใจใจยิ้มใจยัก ถ้าเหตุอะไหน้ายหว้หลังหรอกมือโลกาพิวักโลกจะลเลยมันจะจิตใจมันเลยที่งขนาดข้าพี่น้องกระมาถึงตั้งกรบทู้ขึ้นมาสังกระทู้ข้าพามดูเป็นสัตรูชีวิต ท, ที่พูดน า, านๆเงินทอง ก, ะะกงป็นอะไราองรัชทิกก็ฆ่ากัน็นนื้อเหาทุกันตายชาบ้างชาเมือง แตาสมัยสุโขทัยราะพานีดูพระพุทธรูปแต่ละสมัยสมัยอู่ทองสุโขทัยเจ๋งแขานจะสุกแขานจะเจริญอู่น้ำอู่ข้าวอู่ทองเดี๋ยนี้ดูกันไม่ได้เลยใจยื้มใจยักใจมานคาว่ายื้มไม่มีแล้วยักหน้าตายื้ม แต่ใจยักเหมือนคนตากหวางก้นเกลียวเคียวรถเที่ยวเที่ยนี่ค <t> ือใจยักใจนอนตากหว่างก้นเกลียวเลยรถเที่ยวทบท้าสมาธิไม่อับเดี๋ยวนี้มือน้าตากหว่างก้นเกลียวก็คือต่อหน้ามาพลาดไปหลังกระโปต่อหน้าสมโอรับอย่างเข้มข้นเข่งไม่หลุมาบวชตีทางกันตามวัดวาลามากมายในแง่ของนักบยน แต่จิตใจไม่เสร็จเป็นนักเนล่องเ ห, หตุใดล่ะกอบได้เลยถพาจิตใจของท่านไม่ใส่ใจยิ้มต่อใจเป็นใจยักหัวเมื้งงอทะเลปานาก็เข้าวัดปฏิบัติทำแต่แล้วปฏิบัติไม่ได้เลยวุ่นวายไปในจิตใจสายรำเนรก็อลอกใคนที่มีทุกแบบชอบเกลียดทุกวันมาปฏิบัติแล้วจะได้ผลหาหมีมา ถ้ า, า, า, า, าทาา่านไม่ได้กั้งใจมาปฏิบัติสร้างความดีให้กับตนมาพระความคิดมาภาษามีูรยาทะเลาะกันมาพระลูกไม่ดีท่านจะไม่ด้าอะไรแม้สามวันจะไม่ได้เลยเลยแคุ่นอย่างจิตไม่เป็สมาธิมิจตประการหนึ่งนั่งในถุกวิธีสองจิตตกกองโง่ไอถ้ถามว่าจิตตกกองวลเนี่ยเคยคิดไอ้เรื่องุกเอาไว้ในใจตลอด อาจะน่าสมาธิได้ดคือคาดควานไปแก้วองกรอตมไปแลกรน้ำตุกลมไปแล้ ว, ว, ลวท่านจะเคลื่อนจากน้ำลงเหตไปแลท่านจะขึ้นได้ไนหะขอฝากขั้นที่ปฏิ บ, บัติเรื่องจึงับพูดเรื่องจึงให้หนฟังแต่ท่านไม่ทอดของจึงทอดของกลอมตลอดเลยตามมายอมจิตทอของกลอมของกลอมมันสบายของจึงมันลำบาก ความยากจะเกิดขึ้นโดมิรู้ตัวของกึงของดีเนี่ยคือเป็นศัตรูชีวทุกคนจึงไม่อยากจะสร้างความดีเพื่อเป็นศัตรูฟังมันไม่ตรงอธัธยาศัยละคือความดีกับนฝืนใจลดเอ็นทุกจะดีได้เป็นธรรมะคามําสอนที่มาจากที่แท้และแท้กึ่งละถูกต้องความอดคนและฝืนใจให้เข้าไปถูโจทดไมด้งเหมงความดีให้ควา ม, มจริงจะยาก คนเราท่านทั้งหลายเองคือจึงไม่พอไปเช่าที่มากินเอ้ที่ไม่ได้ไอ้ที่ได้ไม่เอากลับไปเอาที่มันไม่ได้ใช่หรือไม่ทุกคนกดชุดอย่างนี้พ้องาเนี่ยสามวันเด้อนไดอะไรบ้างได้อะไรคือป็นมัวตกกังวลที่ความทุกข์ที่เดินผ่านมาจะกบ้เราไม่ได้เลยจือตกเหวไปแล้วคือตกเหวเนี่ยคือคือตกควาวล่ข้อสองข้อสามหนื่อยใจ จนทุกข์ใจแล้วมันมเหนื่อยใจเลือกเองที่นอนสิละมันมเหนื่อยแล้วไปหาข้าวทํางานหนักหยุดพักก็าหาเหนื่อยพอเหนื่อยใจเนี่ยไม่หาทังตายเลยทั้งหายใจช่วยใ้ได้หาใจทำเนื่ยแล้วอดทนได้ไหมอดทนไม่ได้อดทนนี่มันมันแสองใจเลือกอง อยากท บ, บายก็ทนายใ้รใจว่ามาบวชนิสยัยไม่ใช่เลยไม่ใช่บวชสบายแต่พายทนทุกข์กทรามานี้ไดทานชีวิตนิ่ดความดูจนเป็นกกตะกูของไหลสองความดูเป็นอุปจักรของชีวิตสามความดูสร้างความดีต้องลงถึงธนาบาทมากอดทนมาก เมื่อตปวดจะตายปเป็นความดีหรือจริงๆท่านทันนัยอยากสวดเมื่อแหละท่านจึงไม่อยากไม่ดีนี่อดังทุกเก่าและแต่ท่านพิจารณาถ้าท่านนะั่งกรรมฐานได้แล้วเกิดแหละถ้าท่าจริงๆท่านกับฟังคำพูดแต่ละออกว่าเป็นความจริงแล้พ่อเนี่ยได้ยากมากหลังจากมาบวชสามวันแล้วได้บุญเต่าเยอะเป็นกระบุไปเลยไม่ใช่นะี่ยเป็นบาปเยอะแนะ่ นี่แหละความดีมันเป็นสติอย่างนี้ความดีมันมีแต่อุปสรรคขัดขวาง น, นาจารย์ไม่ให้เราผ่านไปได้อย่างนี้ความดีต้องลงลทุนพานลำบากยากแทงแสนจะคึกไม่สามารถจะแผงหิืายเพื่อเปนเศรษฐีดได้ท่านฟังแล้คิดเนี่ยความดีเนี่ยแสนจะยากย้ยายอาตมาบอกหลานว่ายากแท้ย้ายไม่ถึง อาตามาจำมาจนแบบนี้ต um, ่างแต่ต้นเดือนี่เกิดที่สองแล้วจำมาได้เกิดติดตีแล้วยากแท้ที่เราไม่เคยถ้าเคยสักนิดก็ง่ายแท้ฟังฟังชุดได้ไหมยากแท้ที่เราไม่เคยถ้าเคยเนี่ยเคยจริงในความดีแล้วมันจะง่ายแท้นะท่านสาธุเตชุดตรงนี้กันหน่อยบางคนไม่เคยชุดอย่างนี้ แต่ประการใดไม่มีความอดทอนเราฉะนั้นขอจเจริญพรที่พูดมางานอดทนไปสมบัติั้งนอกก่อสู้อีกทความรู้ไนะปสมบัติข้างนอกกลาดความสามารถไปสมบัติข้งประกอบติความมีระเบียบทุกชนิดเป็นสมบัติข้างชื่ ด, ดีเอาไปชื่อดีไหมคนนั้นมีระบบไม่มีระบบรเบียบเป็นผู้ดีไม่ได้พูดจาก็ถามหาผู้จาไม่ไม่ไม่เพลาะผู้จาไม่เหมาะเจาะนั่นคือใจยะ ใจไม่ยืนใจยืมจะผููพอกปิยามายาจะสวยหน้าละตรงนี้คือสติสัมปชัญญะคือภาวะธรรมะถ้าปฏิบัติได้ท่านจะรู้เลยอดทนกันอย่างนี้ก็นักกอดพ่ดกอดทนตายให้มันตายยุ่งอดทนไม่ได้ท่านจะไม่พบเมืองตับกัญชาท่านจะไม่ถึงวันเวลาที่จะสำเร็จตามเป้าหมายของชีวิตไปดูหมอดูกันเยลืเกินยังไงฉันจะได้เสือดีจะได้เมือดีนะ งานจะกั้นเด็ดจะได้รู้เป็นผู้ถึงทางไม่ต้องดูไห่ต้อดูอดทนยังไม่ได้ท่านก็ได้อะไรอดทนไม่ได้เลยก็ได้ดูเหรอไม่ได้ดูเลยความชั่วชอบเป็นผู้ทำสบายจป็นสบายนอนสบายไม่เอางานเอาการกำลังชั่วเลยไม่ดูตัวให้ชัดเจนชอบเป็นสบายนอนสบายไม่เอางานโอการไม่รับผิดชอบอะไรเลย ผู้มาปฏิบัติธรรมนิพพุทธจะรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเยอะเลยหากลับไปบ้านไม่รับผิดชอบอะไรเลยเนี่ยเราจะเแสดงว่าท่านเจ้าบวชกล่าวเรือสิงค้าแล่นไปวัดนาไม่มีสินค้าอาจจะขาดคุณค่าน้ํามันของขาดคุนณอกหมันยาทันร่างกายของท่านจะทุดส่งคือเรืออุตรการสุดท้ายเรือจะต้องล่มกลางทะเล คือติดพังไม่ถึงฝังซาเริ่มไปไม่ถึงจดหน่ายใางุ๊บเลยมาตายยกกลางทะเลตายกลางเวหตายกลางพันเอาดูบบนีได้ยังเลยความทั่เนี่ยลงกุ้งขานสบายตอว่ายใจมาปวดเลนี่ก็สบายเลยที่นอนทีลกถ้าท่านช่วยกสบายไงท่านกำลังทั่วเดินรู้ส กำลังมาดูตัวเอ๊ะกูมาถูกวัดแตวัดนี้ปวดจังเลยไอ้หนอนหนอนเี่หนอหนอเอาเรื่องเลยอย่าเลื่อมนะราคาหลายร้อหลายร้อยล้านเหนอนเหียดกาะกาะให้ลึกมาเหยียเห็นว่าลูกนงเธอเสียฉันจะรักเธออย่างนั้นหลถ้าดูคนเห็นด้วุด่านจะมีทั้งรักทั้งัถึงเรื่อปัญญาหน่อยดิเห็นเรปัญญาท่านจะดูคนง่าดียาตโยมผูาส ถ้าท่านมีปัญญาในตัวอาจจะดูคนเต็มเห็นเนาะเห็นด้วยปัญญาจะมองคนง่ายดีทั้งหมดคนทั้งหมดนี่มีดีหมดนอกจากนี่มีคนทั้งหมดนีทั้งดีทั้งไม่ดีปัญญาในตัวนี่มันมองคนดีในตัวเราไม่มีปัญญาในตัวจะมองที่เหลือดทั้งคนเอาความชั่วเข้ามามองคนเราทุกแต่ต่างกันอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ยเนร้อยนึกเห็นไห วิสัยทัศน์ไม่เหมือนกันวิสัยเัื่อแบบอย่างการบวชต้องการมาสร้างวิสัยทัศน์อาจจะเลนเรื่องเรียงในตํายาเกิดแสงสว่างในโลกโลกกระดูกตาไม่ใช่แสงสว่างด้วยธาตุชิตด้วยาตุชิตเดียวลัดชายมรพอาจจะโดงกคตรกไปแล้วถ้าที่ิตกไปแล้วกองอาศัยแสงไปว่าถ้าไฟผ้าดับอาศัยแสงอะไรอาศัยอาศัยอะไรไม่ดับ ตัวก็ไม่เคยดาเทียนเหรอนี่ผ้าส่งในตู้เห็นไหมในตัวมีเราเห็นนแตกพก็มาดับต้องใช้สงกัญาโยงเข้าใจคานี้ไหแสงกัญญาจะดูขครง่ายเห็นเห็นหนอเห็นเลือดกัยาเนี่ยเคเาะต้องไม่ชิดเกาะต้องไม่ชิดเกฟังึกหน่อยดูแต่ตมาพูดเนี่ยต้องใชฟัง วันนี้มาสบายมากนะเนี่ยังก้องลงฉันให้เขาแต่ไม่ไดรรเด้ฉันเด็กอายุเที่ยงพาพ่อแม่มาทำบุญนี่ยวันแต่ ง, งานดูอของพ่อเนีย่ยวันเกิดของพ่อเนี่ยพรพังเธอยังเป็ น, นล่นาสาวเล็กๆนักการงานเลยเราต้องลงให้กำลังใจเด็กทำบุญแก่งงานดูพาพ่อแม่มาทำบุญเป็นอาชิพพาะเจ้าจ้านั่ากรรมา ให้พ่แม่มาทาบุญรังเกิยจให้พ่อแ ม, ามา่มีศสืให้พ่อแ ม, ม่ ม, มีอเ้าก น, าออ น, น, น, นาากแก น, น, น, น, นท่ากระบุดบาแหงเนี่ยอกอามาแต่วิยก่าทุติยองคนตายยาพาระใบุรเกิถามบอกอกองลูกเมีคนชุดแบบหลานอีสามสไม่มีมาสัากคนอยู่ไม่มาเลเขาไม่ว่างอ๋อทาบุญให้พ่อแม่ไม่ว่าง ขอฝากพวกนะัก็มาถามไปด้ว่อยครับปฏิบัติได้จริงจะเครึ่องใจทันทีกับคิดถึงพ่อคิดแม่ไม่มีเลยในขณะเปคนรวนะยรน่ยเป็นอาเซียแช่ไหที่เด็คนมีใบขาดทั้งสี่ใบค่ะถามบอกว่าโยมมีสตังมาแผ่สามขันเดี๋ยวออกให้หมื่นีเรื้องคือปฏิบัติเก็อบร้อยองนี้ออกให้นึกว่าจาะมาเป็นลูกโยมโยมเป็นโยมอาตมาเลยกันอาตมาทาบุญให้พระองค์จะทำไ้ย ก้อตาเลี้งเนี่ยโลกยังทำให้พ่อแม่ไม่ใชพ่อแม่ทําให้จิตพ่อแม่เลี้งออกมาช่ไหมหรือไม่ใช่ไม่ใช่เหรอกายโยมนั่งแต่มาถามถ้าใดจึงจะล้องแหกตาเคยว่าพ่อแม่จะเสียใจพ่อแม่ล้มหายตายตกจากไปแล้วจะน้ำตาตกลงไปว่าอ๋อพ่อแม่เรามีชีวิตอยู่เราจะฆ่าความดีพ่อแม่ได้มากแล้วพ่อแม่กําลังมีชีวิตอยู่ให้ทําบุญ ใ ห, ให้เห็นก็ผู้รู้ก็ต่างแต่ลูกดีมากหายากมากน้อยมากร้อยละหนึ่งก็หายากสพาพ่อแม่มาทําบุญเพิ่นิดอาตมาไม่สบายไม่สบายมากต้องลงมาเด็ดฉันข้าวเลยส อ, อ, อวสนันแล้วลงให้อวาตให้กาลังใจหยุดแม่ลราพ่อเนี่ยช่วยหนูหนูเนี่ยไปเดือดหียงพ่อยังเห็นหนูมีความสํำผล ไม่สำคัญโดยยังไงหนูกับจานดูต่พ่อแม่เธอรบางคนไม่เอาไหนเลยมาทำบุญเอาหน้าแต่พาหูเก่าต่อหน้ามาพาไปวังตะโกไม่เอาไหนร้ไงไม่เฉลยไม่เฉลยเป็นอภิฆาตบุญไปไม่อนนไมหอกไจอไทจนี่จะเฉลยอดจังไรตรอดต่างพอเราพูดข้เข้ากาเรื่องอทั้งพ่อแม่เขาเป็นเชือช้อจรนคนุณตูน ตมาชอบคนเกิดมาชอบผู้กับคนเกินเราชอบคนเกินล้อขยันคนไทยแห่เลยหนึ่งไงต้องอู้นี่เราคนไทยคือเกืยรติระดับหนึ่งกองชื่อ ก, งก อ, องการชื่ออสาอขา ค, คือลิขยานของคนไท่นี่นี่คนไทยแต่ตมาชอบคนเืินคเนเกินสวยหารักขึ้งเอ๊ะชื่อเอต้ชื่อของนานทา คือเหนียวหนาแนงอดทนตากแบบตาสดนวัวกรบทงล่านมือเสียพื้นหมอลูกว้วเป็ น, กก น, อ, อ, น, ปนอาเสียละคนขาย ม, มีที่มีทางขายใ ห, หลกแตกลามก็ขายหมดหลาน็บัดพ่อาแ ม, าม่หมดนี่คือค่ทักไล่คุณลาผาขาดคุณภะพถ้าคนไหนเกลือเป็นแจ๊กแม่เป็นเกือหรูอรวยฉะบัดเจ๊กนะเกลือว่าไหลรู้ไหรู้ไหมแจ๊กยเวลาตออ เจ็ลยว่าเท่าไห่แม่เนี่ยเื่นนี้ดีมากนะไม่พูดเลยนะจึน้อยน้ยไม่พูดแต่ตอนนู้นเรนัือจังคุยกันบัดเจ็บแล้ววัหนึ่งไม่มีสองพูดจึงทำจึงที่เจ็บคนไทยพูดหนึ่งปสองสองเป็นสามสามเป็นสี่จถือกถือมาถึงห้าหกจักรประกามกกรหล่รายารถูกวิธี กรุณาเวไรตอบใครตอบได้เดี๋ยวให้เะลาเลยกรุณาเวลาใครจะกรุนา ไ, ไ, ไนนเนี้ยไม่มือเลยเหรอกเห็นเหรอไม่มือเลยเหรอขอขอบใจท่านทั้งหลายที่เป็นเบื่อเป็นชักใจก็เถิดให้พูดเพราะเป็นคนกลางให้พูดเราเป็นคนกลางไอ้ตมาเป็นคนพูดก็ต้องตอบเองเห็ไหมครกุณาวลาด่ะ ตายอยู่ที่ไหนต้องมือที่ดึง้งอนหือกับผืนินจ่ายข้างตีายไหนต้องมือผืนยินึ่งข้างก่อนไม่ยอชัตอนพยาน้ให้ยนคนเนก็ยังไม่ถูกไหมะก็ดิฉันไม่เคยเรียนไม่โดนเรียนอะไรห่อไม่เคยรู้มันคุณโยมค่าถูกถูกคนเืินเทื่องดึงนี่คือธรรมะ ธรรมะควรคืนอางเสือไม่ต้องมีตัวมันก็ผูดขึ้นมาตรงนี้เป็นทกการเล้งเสือได้เป็นทกการเล้งแพนได้ลงในท้องมีโดยสัรโดยแยะกระทั่งที่ใมนิสไม่รูกภาษาไทยคือธรรมะมันผุดขึ้นมาเองแบบนี้ในเวลาผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายปฏิบัติให้ได้ธรรมะปฏิบัติให้เป็นชระใจเป็นชระแปลว่าจิตใจก็เสริฐแล้ว ไม่จะกลับไปแล้วเลิกเลยนะออกหลังวาดแล้วทึงกรรมฐ า, านแล้วลรตรงนี้แหละทึงในตรงนี้ตายมาตีทึงแล้วทึงแล้วกลับไปจะตัวคงเหมือนคนเก่าอย่างที่เลากันมนาะไม่เสมอก้นเสมอปลายคนดีต้องเสมอต้นเสมอปลายมือธรรมะตลอดไปจนชีวิตแผ่นนี้ถนะึงจะถกต้องไม่งั้นจะไม่ถึงจอกกา ร, รพิรลงผู้ชีวิตแบบละกันได้เพราะัายญาติโยมไว้เป็นชุดไง เป็นมือที่แกงานให้เป็นคนละเอียดอย่าเป็นคนหยาบคายนะถึเรามาบวชเนี่ยต้องการเป็นคนละเอียดเป็นคนละเอียดกลองแล้วกลองแล้วก็จะกลองกลั่นแล้วกลั่นเล่าก็จะกลั่กลนก ล, ล ก, ลกลองทำนองทำใอาจิตใจละเอียดให้มองเห็นตัวกันยาจะได้แก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นแต่พ่อหน้าต้าง อ, ง อ, างองการตรงมน่ะไม่ใช่ท่องการมาหนุนขาแล้วไปได้บุญเลยได้บุญอะไรได้บาปเยอะเลย ทั้งหลายอาจจะไม่ไดกรองกลั่นทุกข์กระนาดตนแต่ประการใดนี่คับเต็มมากด้ยฉะนั้เนี่ยการจดใจตกกังวลจะไม่เด็ดถามเหนื่อยใจตลอดการไม่รู้จักหายเหนื่อยเราแบบกรสอบข้อสารคักผ่อนเดียวก็หายเหนื่อยแต่เหนื่อยใจไม่หายเนี่ยท่านจะไม่มีสมาธิแค่ท่านไม่รู้จักการสะเกออารมณ์ ไม่คมติดตั้งปฏิอารมันจะเหนื่อยายตลอดทั้งตายไปนรกแน่นอนสี่ราชาเกิดหกโทศเกิดท่ 6, าชกแหวนออกมาเป็นอย่างนี่ชักเกินนั่งไม่ถูกวิธีจิด ต, ตกตัวงวลสามเหนื่อยมากเือ โลกไทยค่ะเกิบดือนเดืเอนอโลคยาปรมาลาภาสามวันดูสี่ข้างท่านจะไม่มีสมาธิเดี๋ยวข้าวโรงพยาบาลเดี๋ยวข้าโรงพยาบาลถ้าอาโลคยาปรมาลาภาตัวไหนมีโรคคนนั้นไม่มีลรคไม่มีโทษเลยเป็นโลกนานโลกนี้แสรก้อนมาตลอดรายการท่านจะอายุสั้นสมาธิมาเกิดจากคนประเภทถ้าไม่ฝึกจริงๆ ห้าละพ า, าเกิดทกตัวจากเกิดกระทบอารมณ์ ก, กบบระทบอย่างแรงไอ้เมื่ออารมณ์มาทับอย่างแรงแล้วท่านจะมีสมาธิไหมถ้าท่านไม่ฝึกท่าไม่การสติต้อนรับอารมณ์ท่านจะเสีย อ, อารมณ์ท่านจะไม่ดีไหมายมอารมณ์มาดีแล้วเกิด อ, อะไรขึ้นไหมท่านอุบาสกบัณฑิการทั้งหลายอยถ้าถ้าเป็นครูบาอาจารย์ท่านอารมณ์ค้าง ท่จาจะไปสอนเด็กไม่ได้ยืนเลยแต่ท่านเป็นผู้ที่ภาษาอารมณ์คางใายต้องการถึงคนขึ้นคนกึง ค, คุกน้ไม่มีการยังเวลาเลยรอเวลาเกิดระการใดไม่มีการแหทท้ท่านเอารมเสียดูให้ท่านทุกคน อ, อารมณ์ดีกับอารมณ์เสียเป็นอย่างไรแต่กลางกันนี้อารมณ์ค้างท่านงานการปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ให้อารมณ์ค้างต้องการตัดปัญหานี้ให้ได้ โดยการปฏิบัติทำอันนี้อารมณ์อะไรน่ะก ร, ระทบกลางกลก็ไปอทันทีต่อสู้่โดยการปัญญาใช้ปัญญาในตัวแต่เราก็ไม่เข้าใจในเรื่องปัญญาเกิดยังงปัญญาในตัวเกิดอย่างไรแสงสว่างคือปัญญาสามารถจะส่งใจคนได้แต่ไฟฟ้าเนี่ส่งใจคนรู้ใจคนแสงอาทิตย์ก็พึ่งไม่ได้พึ่งได้ไจเฉพาะที่แสงรสว่างการทํ า, ทา ง, า, งนาน แต่แสงสวางอะไรที่จะพึ่งได้ที่แสงปัญญาสามารถจะอ่านคนออกจะได้บอกคนได้จะได้ใช้คนเป็นจะได้เห็นตัวตาจะได้ใายทิศถือก็ได้ยังมีชอบจะได้ประกอบกุศลได้เพรานาเป็นหลักฐานสำคัญที่ทกำลันาถึงนั้นท่านจะพึ่งเกินยากตลอด ก, กันทั้งตายอันนี้ทัดเกินมากแต่ท่านมาปฏิบัติธรรมมาบวชในตําบลประชาสนาจิน ที่ท่านตั้งขวัญใจที่รักตรมฐานวาท่านจะได้ผลทันทีอย่าโกงตัวเองอย่าโกหกตัวเองที่น้องที่รักถ้านเราก็หกคนอื่นอองคนอื่นไม่เป็นไรถ้าโกหกตัวเองเนี่ยบาปหลายชั้นเลยโกหกตัวเองอองตัวเองโกงเวลาดิแต่เพราเราโกงตัวเองโกกตัวเองรับรองไปไม่ได้ ไปไม่หลอดกูโกหกตัวเองก็หล่อเลยการไหนมาโกหกตัวเองก็หล่อเลยการที่มีท่านข้าจะทางานสาเด็จไหมไม่หนูาเด็จเลยหยูกทางมาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องการวัดพาะบวชบวชด้วยสุปอปอบวชโดยชอเรียนวัดพระแปลว่าเลี้ยงแบบสร้างคือุกให้เป็นจริงแท้ทางของกาศลนะนําตัวเข้าหากันอย่าง หลอดลูกในกองการงช่องขาท่านจะอ่านตัวออกบอกหน้าใจเต็มโดยการจเจริญสติปัฏฐานคืออย่างนี้นประธานเจริญะติปัฏฐานคืออย่างนี้ได้ท่านจะรู้เหตุการณ์ชั้นที่ท่านอีกและกลับไปก็ใช้ธรรมานิตลอดมารับรองท่านจะดีโลดโทษตนาการนี้แต่ความจเจริญรุ่งเรืองวัฒนาตะพาพรามไม่มีการจะล้มละลายเพราะท่านเองจะทื่เหนือทึงกายทั้งลูกหลาน กระท่านทั้งหลายโยมชายโยมหญิงทั้งหลายเองกระท่านมีอบุตรธูดาก็จะเป็นนักหลาดขามือพญาเจริญกุศลภาวนาสวดภาวหุ่มอากาศลูกท่านจะเดินในตังอูลูกท่านจะไม่เฉียงพ่อแม่จะจะตา้เขาในหลักอะไรหรืออะไรมาเป็นตัวหลักมาปฏิบัติต้องการให้บ้านสะอาดทให้จิตใจสะอาดหมดจดนงพพานธรรมชาติที่หล่อหลาม ในหน้าบาา้านท่านสะอาดนักลากจะมาเกิดในบาา้านท่านแต่ไม่เสียงพ่าแม่จะฆ่าความดีพ่อแม่เป็นการใหญ่แต่บาา้านท่านโกรกจกจิตใจลามฤกษมเอาเนาาาื้อใจจะประการใดดูด้วยความท่ำใจหรือ ด, ด้วยความชอบท่ำละกามใจคืนงอมผมเคิองอยู่อย่างนี้หรือจากนรกมาเกิดแม่บ้านท่านจะเอาดีไม่ได้ ลูกตายจะเพียงแพ่อแม่ทําให้จกท่าสิดยาบ้ากันมากมายท่านทั้งหลายเป็นผู้ดีมีปัญญามีหลักฐานคาสอนทุกข้าพกบทั้งสา ม, มีปัญญามารถมนภาวนาไม่ทะเลาะกันอาตม า, าขอรับรองท่านสามมีทายาไม่ทะเลาะกันหัวหนึ่งใจเย็นทายจึงหยิงแท่เป็นผู้แก่น่าดูถ้ารับรองบ้านท่านจะเป็นบ้านสุดขาววัดีบ้านคนหรือมีปัญญาแห่งเมืองมิถิลานคร จะต้องเป็นมหามนุษย์ลูกจะเป็นมนุษยตมนุษย์น่เกิด่นไหมอันนั้นไม่จะมาบวชชูชมถ้าไปสวรรค์โอโหไปนุชามแล้วแต่สมบัติมนุษย์ไม่มีสมบัติมนุษย์ไม่มีแม้แต่ข่อเดียวท่านจะไปสวรรค์เหรอกลบวชชูชมวัดไหนละจะไปสวรรค์เนี่ยมากันหลายชื่อหลทางกันเนี่ยมาพุทธอย่างเดียวยังงั้นเดียวยังนี่ก่นเดียวเพี้ยนไปละาไปเข้าถ้ำปริญญาโทจุฬาพระถยังไม่ออกมาเลย มาอยู่นี่15้าวันเราเสียใจเที่ยงแรงเพื่อนพาไปเข้าท้ำนาะงสวรรค์ป่านนี้ยังไม่กลับพ่อแม่ร้องห้ทุกวันโทรมาเนี่ยเราพ่อเพื่อเพื่อแผในกายยุกลับบอกแผลไม่ดักไม่ออกไปคุณแแนแวเนี่ยเราสอนแนวทางนี้ให้มีภัจจปัญญ า, า่าไปเอาแนวสวรรค์นี่ผานแนวเพียนไปเห็นพระพุทธเจ้าเห็นอะไรก็ไม่าทาบลาพาเขาไปเลยยังไม่กลับกลนะ่ ถ้าเป็นเพื่อนของใครก็ขอให้ติดตามจาบกันด้แต่ไม่เป็นไรรอใจลันเขาเลื่อกันเอารวไปเลยแต่หาเพื่อนคุนั่งนอนอยู่นครสวรรค์เนี่ยบอกให้อยู่ในฌานอย่าใออกมาเลยพระก่อนแ่เลยเจ้าพที่ญิงเข้าานไแล้วี่ญิงก็ชอบด้วยนะนั่งกรรมฐานแน่เลยไม่ช่กอนเคยเป็นญาติกันนาะวจิใจเอาพระมาไว้จิใจช้นี่จิกพระนะะ พระแปลว่าอะไรหนูพระแปลว่าอะไรฮะตอบพระแปลว่าอะไรฮะนะระความดีคือแต่ไม่เท่าใครเกลื่อนไหลพระแปลว่าผู้ประเชิอย่างนี้ผู้ประเชิญนะเนี่ยพระอยู่ที่พระเหลืองใช่ไหมถ้าพระอยู่ที่พะเหลืองไม่กองมาที่นี่ไปหวัหวห้อย แต่วิาไปข อ, ขอลาพระเหลืองตามร้านเจ็บก็พ อ, อแล้วมาต่อมาที่พระกคือผู้ประเสริฐล้ำเลิศอย่ในจิตใจของท่างผุ้นั้นโยงเป็นพระได้ไหมได้พุทธโภพพุทธะมาล ด, ดละภาวนาพุทธะแล้ว่าญิงก็เป็นได้ชายก็เป็นได้เป็นผู้ฉันเด็กเป็นผู้ประเสริฐได้ทุกไม่ว่าญิงก็ฉันจงเรียกว่าพระ น้าปฏิบัติเนี่ยจิตใจเข้าถึงธรรมะนั้นแล้วนากายยืดเหยียดทางกายได้มั้ยถ้าได้ก็มาขอรับรองยืนยันต้องไปผู้ดูมีปัญญาก็ต้องอดทนตลอดทางจะไม่ใจส่อจะไม่หละเหลวมจะไม่หละกแหลจะไม่เป็นกุ้งหลือหลังจะไม่ขึ้นหัวหลวงเขาแน่นอนเดินตรงตรงที่หมายโดยกุดจราจรชลุกเดินทางไม่พลาดถึกในมัชฌมังคลา แต่เป็นงกับจะเป็นสาวเช่แไม่มเหมือนกันหมดเดืเหมือนกันหมดต่มาพูดมาแล้วสามดมือสามรู้สามดสี่ห้ามีตั้งอย่างตามเจรกรรมาถมี่ไปสนนิพพานรักษาสมบัติมนุษย์ดเท่านี้เองรักษาสมบัติมนุษย์ย่างต่อเสียใจด้วย บางคนก็เปร่างกายเป็นมนุษย์ในเครื่องมีธรณีมน like ุษย์คเนริยโกมนุษคานยูกโกร่างกายเป็นมนุษย์แตจิตใจเป็นนรกใครบ้านไหนเดือดร้อนบ้านนั้นบ้านนั้นเดือดร้อนตลอดรายารขอข้าจะยอมว่าของมนุษย์สเตย์โกร่างกายเป็นมนุษย์แตจิตใจเป็นเปลือยากได้ของเขาอย่างเดียวเหลือเขาไม่เอาด้วยเหลืไม่อาด้วย ยากได้จะเป็นดูเนี่ยมนุษย์เปรตไม่ใช่ว่าเปรดถึงแค่ต้อนตาตาโตุกเห็นไม่ใช่เปรดในตัวมนุษย์นี่มนุษย์ทางเรขาคณิตล่างกายเป็นมนุษย์สวยท่างหญิงชายน้ารักหน้าทายหน้ายื่ยยูน้าปีดาแต่เสียใจเยอะจิตใจเป็นเดรัจฉานไม่ใช่เดรัจฉานเดรัจฉานตัวนี้แปลว่าขวานยมอย่าเข้าใจผิดคิดไปว่าเดรัจฉานเขาประทานโทษ เข้า ใ, ใจว่าสิมนั่ไม่ใช่โดลัฐานตัวนี้แปลวอกขวางใครจะทำดีต้องขวางต้องัดคออย่างนี้มนุษย์บอะนั้นชอบขัดคอคนเข้าี้หลัก ย, ยังไงโยนรู้ไหมตอนนี้หักคนดีต้องมีผลงานคนชานชอบหาเรียงคนชอบลุองเรืองต้องพัฒนาตัวเองนี่พัดแล้วนะ ขวางคนนอนขวางคนนี้เราก็มีท่าสิทที่จะต้องพูดให้กันฟังคนดีต้องมีผลงานคนทานชอบหาเรื่องคนชอปรุ่งเรืองต้องพัฒนาตัวเองมือสองเท้าสองถนอมหนึ่งไปที่ตึ่งของคนคือการเจริญสกัดมาฐานเป็นการพัฒนาตัวเองพัฒนากายคือคุแของพัฒนาจิตคืออดทนต่อชื่ออดงานการและรับผิดชอบในหน้าที่ถึงจะถูกก่ ถ้าไม่รับผิดชอบในหน้าที่รลบการงานย้อนไม่ต้องมาไม่รับผิดชอบตัวเองเลยไหนเราจะไปรับผิดชอบในครอบเสือได้ในเนื้อรับผิดชอบในครอบครัวไม่ได้จะไปรับผิดชอบในการงานในหน้าที่ที่เราเลือกชอบได้ยังไงแต่ตัวเองก็ยังรับผิดชอบไม่ได้แล้วกาลางสติไว้ไม่ได้แล้วเนื่อกองเนื้อคือมาบวกต้องการจะเป็นผู้รับผิดชอบสางผลงานให้กับตัวเอง ในกองอกระนอกกลูนอกทางนอกมัชชมันทานเดินตามถนนถ้นทางท่านจะถึงที่ไหนเดินแหกท่อใครท่านจะถึงหรือขอเจริญพรมาแหกท่อช้างตอกแตเดินทางมาถึงมัชคมันทานลายเป็นคนเละเทอะทุบายหญิงก็ไม่แพ้ชายก็ไม่จึงหญิงก็ไม่แพ้กลายเป็นคนแก่ที่ไม่มีใครเค้าบูชานักแม่าทิ้งตอยู่ตรงนี้ มันทั้งหลายโปรธพิจารณาด้วยวเดี๋ยวเอาวัดโนนเข้าวัดนี่ไปเบิดปีพรามปีโน่นปีนี่เลน่นไมได้เลยเลยไม่ได้เลยกรรมฐานอยู่ใ น, นตัวเองกรรมฐานก็เร็แหละแต่กันกากรรมฐานมีห้าประการเจรสามลมาเนี่ยขาางการตาโตตาโจทางกานะ่ยข า, า, ารมาเจริอัตามาก็จะรู้ได้ข้าเวลาสิบปีโน่นที่คนเกินเลยหลวงพ่อดำเราอายุอยู่ทีสามปีมีเราอยุเกือบสิบสองนะ โยมผู้ชายเคยบวชเนี่ยจะรู้แหละว่าให้ชาจะให้พาจะให้กรรมฐานาก่อนใช่ไหมเจอสาโลมานะขาตาตาโตตาโจสังารนะาลุม า, า, มาถ้าไม่ลืมเขาบวชต้องลืมต้องต้องรู้ถึงนี่คือกรรมฐานเรนจะพูะว่าผู้ยังอย่กรรมฐานจะถูกนล้โยมผู้ชาที่เคารพเคยบวชแล้วใช่ไหมะู้ชาให้เหียอนก่อนก่อนจะให้ภากรวัตรต้องเรียนกรรมฐานด้วยปัญญ า, า, าคนคิดให้เป็นมนุษย์ มนุษย์ขอเชื่ออามาพันเตฉันเป็นมนุษย์ค่ะนะนะไ้่บวชไม่ใช่พุก้าโหเนี่ยมนุษ so ย the so ์ขอเชื่อเป็นมนุษย์ด้วยแหละเป็นมนุษย์จะฆ่าอามะพันเตอบวชไหมตำําทำให้คนเป็นมนุษย์ก็คือกรรมฐานเดินหน่่าห้าครังอาตมาไปจะได้สุดปืนเนี่ยได้จากหลวงพ่อดำอยู่ในตาที่ข้อนแก่นเปสร้างาข้อนแก่นทุกอันเนี้ย ให้ลูกตายลูกขันตอยู่คือพระครูสมุขพิรวัตรเดี๋ยวนี้ได้โลได้ผงจักเถ้ามารรมาจากทองคำจากทังหมดประเทศอยู่ชงเสริมทำประโยชน์ต่อทีอ่ชาตินะหลายชาติเดี๋ยวนี้คือท้อนแก่นคนเต็หมดเลวไปดูตามาามาให้หนูหลวงพัอดำในป่าที่เราดูของดีอข้งขึ้นาเดนผู้โด่งจับ เขาผูกหางจัหัดหน้าดูเนยอดเขาเจอท่าเดินไปเบิกกองโวงเสาดูไปกลับสองเดือนกต็มองค์น้ถึงได้รู้ว่าเยนหน่อห้าครั้งคือตัดจากกันจะกลับมาถามกลับมาถามถ้าสมภารจะวัดหลายวัดกลมาถามคืออะกอบให่ได้เลยแต่ท้างเป็นหาตะเรียนกอบไม่ได้ก็ตัดจาก มันจะตะกำมาผางหนึ่กน้อเกิดมันก็ท้องห้องหมาดละเกลขาโลมานะขาทันตาตะโตตะโตทันตาเกลขาคุดผมโลมาที่ขนนะาที่เล็กทันตาที่ฟันกัโจหนของห้าอย่างนี้เรียกว่ากมาผางกำมาใช้นี่แล้วก็ทุกเลยนะโยมผู้ทายที่อขรุษลกถ้ายมใครบวชปรุงมเรียนไปหากียนไหมงเนี้ยอย่าเสืองอัตมาไม่ได้เกลขาโลมาถึงม่เบื้องตามใจผมไปเบื้องบนเอาปลายท้าขึ้นมา เยือนหนออ่องไปแล้วก็เยินขึ้นหน้าหาครังทั่วทบทุ่งศิลเอาตึก ด, ดูกระตึให้บวกหนึ่ง ห, หนึ่งรับรองรู้เหตุการณ์ได้นี่ปัญญาตัวในตัวรู้กฎแําได้ถึงนี้เราเห็นหนอ่องทิศาลงตาชาปายชาทานี่าา ก, ก, นนากาจกรรมยกระดับฐานนี่ใส่มาดูคนทีห่มชูคน น, คนีหัวมายูตัง้งใจควนี้ไว้ทาให้ได้เนีย่ยเนี่ยตรงเงี้เรื่องพรทานต่ตไม่มีขายาสนใจอย่างนี้ ไปขนกายไปสวรรค์กันเนี่ยกนกายพนมฐานจะทนดวงทําได้จะได้รู้ดูคนโกเยียนหมอดูคนที่สองเรียนสถาปัตย์ดูคนที่สามก็จะเป็นนักเรียนในร้อจอบลกอยาจะบอกได้ถ้าถือตัวนีท่านทันแ่ถ้าถือตัวก้นถ้าถือตัวกลางถ้าือเกล็ลางถ้าือตัวต้นระลึกก่อนถ้าือตัวกลางคือสามัญญะถ้าือตัวกลายคือปัญญาถาสือได้เลยปัญญาแต่ไม่ทาอย่างนี้เลย ขอฝากอย่าโยนหนอห้าครั้งให้ได้คือฝากละกายฐานอย่าไปลืมตาบางคนสอนเดินหนอลงไปสามครงไม่เหลืโลไม่กึ่งอยากมาถามคืออะไรก็จะตอบไม่ได้เรามาเนี่ยเราบวชแล้วรักษาโบสถ์คุณอะไรไม่อยากสอนบ้านคุณพลมากลางไม่ได้เนะคึงเลือกเหรอคุณเพื่อนห้คุณเปลือกรัาโบสถ์ที่บารับถึงกัคารว่เจ็นอุโบสถ ขอาโยมผู้ชายเยบวดแล้วโบสดล้วกระดาบ้าได um ้แล้วต้องคลาต้องวัดหรือขมูและเสนาสนาหญ้ายยกดปะชาตัดตะกอนยาญยาชีลังอญสาโผวกันโยอติเลกะลาโพบวชต้องหาที่สงบไม่ใช่วุ่นวายไม่ใช่งอวี่ห้องอรหาที่สงบที่สงัดปฏิบัติธรรมที่หารอจะโยโคปัสาโทหาไม่อย่างคุหา แล่วว่าท่านให้จเจริญสมาธิภาวนาอย่าวุ่นวายเข้าท่านคูหากลายเป็นมนุษย์โผาออกจากท่านคูหากลายเป็นกุมภาไม่มีสมาธิขาดสติเป็นกุมภาเลยเป็นโดยสารถ้านไม่อยู่ในสมาธิมีสติเป็นมนุษย์โผาทุกคนจะเป็นหญิงก็โผผีเป็นชายก็โสผาหน้าตาดีดีทุกคนเราไม่เนอมนุษย์อีกต่างหเนี่ยตรงนี้หน้า เห็นใจนะ่าคิดตรงนี้ในคยยังอื่นา ก, การประทานใดขอเจริญพร อ, อย่างนี้นะพยมทำได้โยหนหมอห้างกางให้ได้ถ้าคริกก็จึดมันอยู่ด้วยกันหนึ่งบวกหนึ่งก็นหนึง่งไม่หละบยอมจะมีปัญญาในตัว ท, ทันทีต้องตางข้างปัญญาในตัวอย่างนี้ไปทำให้มันถึกเดียไปวัดโน้นีลยเกาะวอดนี้ไปพุ๊บโธ่เียอลหังอีกเนี่ะเจพุทธทา้ า, า, ธาอสเลยเพื่อไปเลยนอกข้อมาหกข้อเลย ข้ามตอกแบดจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นอะไรขึ้นเ น, เนี่ยหน้าทิดานี่ยังไม่จากบ้านเนี่ยพ่อแม่มนีลูกสาวเพื่อนยาโทตุลามา น, นั่งอยู่สิบห้าวันก็ดีอ่ะเพื่อนชวนไปเลยเข้าข้าไปเลยแรเปนเพื่อนเขาก็ลองไปดูเนี่ยเราไปเ ข, ข้าข้ามเขาดีไหมะนะนาทิดายเวลาที่มีประโยชน์แต่ารัาง่งสนใจก็นี่ม่กตะพกนใชไม่สนใจแต่สนใจอยากจะไปสวรรค์อยากจะไปนิพพาน แผชมบัตรมนุษย์ยากระสามไม่ใหญ่เล็กมนุษย์กับพูโตเป็นมนุษย์บริสุดเข่าผ่องเนี่ยทองคำธรรมชาติที่รอหลายมนุษย์ล้วัจัยสะอาดใสสะอาดโดยสุดสาม3สามจอห้าสงทุกสิ่งก่อปลกอที่มนุษย์มนุษย์กับเทวโอันเจริญกรรมฐ า, านอย่างนี้ายจะเป็นมนุษย์เทวดา มือหีวโอกะปะมีความละอายกบาดทีจะหลุดจะทิ้งทันเตร้มตัวชะลุงตัวกบาดโอตะะเป็นมนุษย์เืวกรรมไม่สามารถจะทำวามทั่วได้ต่อไปละอายใจเละเทนถ้าพระเจ้าจะไม่ทาทั้งต่อหน้ารับหลังกบัดนี้ไปต้นตากขอสายญาโยมนี่ใช่ไ่ะมนุษย์เทวะกองการทำปฏิบัติกัรมถามให้เป็นนื้อเทมนุษย์เกิดขึนมา ระค้าสูงก็เป well ็นมนุษย mm ์ขันผุ่มมือแม่ตาปูนเอาเดฐานวิทยาเบิดฐานและถึงจะถึงสวรรค์ขั้นกามาปะจอมหมดระจอนก็ถูกความจิงชี้เลือดถึงจะไปนิพพานนิพพานอยู่ตรงไหนง่ายมากไม่ยากแต่เราทันกับชีเลือดตัหาได้ไม่โลกไม่โกรธไม่หลงต่อไปค้นโคตรเงามันออกไปว่า เ ห, จะจะหมืองกระแสไฟที่ไม่ไม่มีเชืยบเลยดับมนุษย์ออไม่ถือเป็นเทือกไถ่เรี ย, ยรออกว่าพมิถันได้ไม่ทักไม่อยากแต่มันยากกอนที่มนุษย์จะเป็นดาไม่มีเลยความเป็นมนุษย์หาไม่มาความจังไรก็ถือหนุนทัดเกินมนุษย์กับปูโตรับรองโยมใจกระเศบเป็นมนุษย์ใจสูงไม่มีจุดใจตามจักระการใดสามีเป็น ม, น, น, มนุษย์สมบัต นี่สะพูโตภรรยาเป็นนิ่สะพูตโตลูกจะเป็นมนุษย์คาเทวะลูกเป็นเทวดาสามีปริยาอีกหลายปริญญาเกิดขึ้นในตัวของลูกแหละบ้านนั้นจะเป็นบ้านแสนถูกบ้านสนุกด้วยหลักธรรจะไม่มีการทะเลาะวิวาเนเลยงสามีภรรยาจะให้ภัยให้อภัยญาทานให้ญาติโทษสามีภรรยาจะให้เกียรติจะไม่ว่า ไล้ใส่กันกับพูดจากระชั้นถนอมหูหน้าดูหน้ากลางสา ม, สมีภรรยาคู่นั้นเหมือนหญ้าตีวงคงสาโยงคือวันสามเดียวหวานรับกันด้วยสึกซึ้ง ร, ร, ร, รับัวรอแปลว่ารับรอแปลว่าไม่ทิ้งกันลงเรือลําเดียวกันที่มันจา่นที่มันผาผ่า น, นแปลว่าหนึ่งบวกหนึ่งได้หนึ่ง สามีภรรยาจะไม่ทิ้งยาล้ า, างพันแน่นถ้ายจึงหญิงแทไม่บ้านนั้นทําทั้งหลายปฏิบัติทำได้ท่านจะคึกตรงตรงที่ไหนงัจะให้อภัยภรรยาได้ใาห้อภัยสามีได้หนักก็เอาเบาก็ส่วจะไม่มีการแสเลาะเนหงเหงันไม่มีการทะเละวิวาทกันแน่นอนบางคนก็ทะละบ้านนั้นบรญยัต ถ้าทำมืออ <st plea> ื่นจะอยู่ในบ้านธรรมดาไม่มีลาศีบ้านนั้นไม่มีลาศีบ้านนั้นมีแต่อุคคลกรรมลูกก้าวดีไม่ดับ้านนั้นจะทะเลาะเบาบางกันมีเงินมีทองช่วยดันขอเจริญพรเงินทองเนี่ยให้ความสุขให้ความเฉเนดไม่ดับใ้ความทุ่งให้ดับในบ้านเงินทองเนี่ยให้ความก็เนดไม่ดับให้ความสะดวกที่รบเดินดับ การกําเนิดในชีวิตต้อนไข่หลักความคำสอนทั้งหมดกระจายไม่ใช่เงินทองให้อริยครับภายในให้อาริยครับภายในเทานันคือศัสิทธาคเอเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อครับภายในก็คือสิงราษาตายวาตาให้หยัดรอดบอกเลยชาเถื่อนเนี่ยชรเถือนเนี่ยมีการาไม่ฉลาดอันนั้นพหุขจฉ มีการเห็นอะไรขึ้นกาละกันมั้ยมีความรู้มามรู้สิงทุกสิ่งตาุ้ดสจักบอกไว้คัมีกาพันกาลกตันขึ้นกาละกันั้ไม่มีเลยบอกไว้ชัดเจนนะแล้วจเาอะไรมานป็นหลักก็ไม่มีมีปัญญาไหมมีความเชื่อละไรๆมั้ยถึงจะเป็นอริยภาพไทย อาี้ภาภายนาคือควรสมบัติของมนุษย์เงินแล้วองของได้มาค่อยเอหลังหลายมาเองม่เนี่ยคนดูมีปัญญาคือมีหลักธรรมขอประทานโทษอยากโยมมีทศคนเอาของของดีมาแต่คนทั่วคนมาดีก็ได้ของั่วตลอดของมาดีตลอดทั้งก็กคนดีหลักธมาคนอ่คมาดีได้ของดมาดังดได้ของดีมีคนเอามาให้ไม่จ้องกปซื้อการหาเลย คนดีไม่คุณธรรโยกภัยทศกิจก็ไม่มีากมารเจริญกรรมฐานองการจะลึกชาคิคนคิดว่าเราผิดพลของรูก้กฎแห่งกรรมไหมมีฝ้าเหนือฝ้าแลเเ้เหนือกฎแห่งกรรมไม่มีแล้วมาตกลงหาเหลือหลเหลือหลายเชื่อกรรมาก็มีเขามาให้จากใ้ทระใจกรองไปเนี่ให้น้าร้อนราดจนก็เลยราดตุ้มเงยเย็นไม่แพ้ไม่ืม แต่ก็เหนือกดทางตามนี้เตือนยิงไม่ออกแต่ต้องตายด้วยเต้อนไม่ได้ดายที่จะเสงเห น, เนือกดทางตามนี้เหลยไปฆ่าเขามาต้องตายยุคเตืนมีหล็กไหลก็ช่วยไม่ได้ท่านสาธุคนทั้งหลายไม่ต้องไปหาเหล็กไหลใครดับช่วยไม่ได้แล้วทําไปช่วยตัวเองทําไปครฆ่าเขามาเนี่ยไปทํากรรมมาแล้วเขาต้องมาฆ่าท่าน ไม่สนใจไม่เทายามแต่ไปหาเพื่อนร้าของขวัญมาใส่แต่ช่วยในดับเพื่อนจากตัวของเราเองพึ่งตัวเองช่วยตัวเองสอนตัวเองให้ดับเท่านั้นแต่ถ้าทำํำมาได้เรามาออกแถบอบอกเรื่องมาดีแบบผ่านจะเล่นมาดีตลอดชีวิตตจบก็เลยหน้าภาคไม่ดีแต่มาได้ก็ตัวเองตลอดนะเราได้ของจริงเนะี่ยพอหากแล้วไม่จินไะด้นหมแถงก็หากกาล้าพา้ว อย่าพูดเท็จกอเถียรอย่าพูดคำหยาบอย่าพูดเท่เจต้นบาเป็นตมในตัวเองาอากายกรรมสามวัตุกรรมสี่มโนกรรมสามเวลามาบวชในตัณฑ์กายไม่ฆ่าสารรับพักเรื่องประเด็นวัตุกรรมส่ 4, 3, 4, ไม่พูดเท็จโกเถียรคำหยาบเท่ทเจตลอดชีวิตมนโนกรรมส่ไม่ละโมยโยมมากอยากได้ทราบทั้งอยากได้เฉพาะของเราที่ทามาด้วยความยากนั่นหไม่ชิดน้อแต่ท่านผู้ดา คือกับแม่ปาปาเมียรีเอืเพื่อข่าวรู้เดูการนี่คือมโนกรรสามปะการจะไม่ชกแล้วททำร้ายกับใครขอสาบญาติโยมไม่เดี่ยวนี่คือกรรมบวชติดเวลามาบวชเนี่ยต้องได้ไปแน่บวชเนี่ยเรามาบวชบวชเนื้อธรรมะปฏิบัติธรรมโยมจะต้องร่ายชมบัตมนุษย์แต่หวานชมบัตจะสะดวกสบายต่อใช้ทช่อสักถึนไม่นานก็ต่อไปอาจจะถึงพระนิพพานชมบัต เขานี่พอเลยตอนนี้พานเชบาตจะได้แค่ไหนเราก็ไม่ทราบเรายังไม่มีความเนะข้าใจนี้เรื่องนี้แต่เอามนุษย์เางห้ดยมมืสามีภรรยาก็ขอให้เป็นหนึ่งในจางอูอย่าทะเลาะวิวางกันบ้านไหนบ้านทะเ ล, ลนะาะการจดระนาบาหรือบ้านอาบประมงคนบ้านไหนไม่ทะเลาะการสาสมความดีสามีภรรยาเป็นเคื่องคูกคึกรในคูบาตไม่เคยทะเลาะกัน ดูด้วยใจมาก็ยืดสุดข้าสึกดูพระบาเฉลี่ยไปเจอหยุดทำบุญแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกระดากระดาแเดือนหน้ามันที่เวลาจาไม่ได้อายุจากเท่ากับเฉลีพุทธยอดฟ้าสี่เลยแต่ทำบุญแล้เวลาในหลวงหลวงเราเนี่ยวันราชการที่ห้ายุ่งมากก็ยังน้อยกว่าการที่เา น้อยกว่าไม่ เ, เ็นอนพั์แหละวลาราชการที่เ้าเราเนี่ยคลองลากมาห้าสิบสี่หกเอเจ็ดสิบสองก้นาอยู่ที่ปาเมรายนแม่ที่จะขากราชเป็นพาร้อยตีสามตารเจรนารายชาที่เกิดแต่งงคดบห้าสิบสี่ต่มาถวายท่งนร า, า, นามนเนี่ยไหวท่านไปรามนเงี่ยาการพระราชอัญเชิญ การเจนณาพิเศษไทยพัฒนาถวายเจดล้านหาัน แ, และถว า, ายรักษารคตายองานเงนส่นตัวที่ก็ถวายแนมะ า, าเดียวไปตรวจตัวจะทำบุญให้หมดมาไหว้ม่าตางเดียยถ้าเป็นของสงอาสงา่าไปไรยไ้เงนินไม่ถี่ประเทศนะเนี่ยเพือบาปเกลียกรรมและเถงเราก็บาปมาโชคแนละ้วยกมาตมาทาบาปมนะ า, าเยอนะกล้าผ่าเลยนเปรอะเ้ยตากลูเข็ เอาผพ้าไปถวายพระต้องเลียงไปอะไรให้มันกินเราคุ้นชะเอมดีกว่าตาไปเลยนะอย่าไปถวายถวายแล้วมันคั่วเราเราพระมาคั่วยแลยในองคนี้คือจำเนี่ยที่นี่ป่าทะลุเผ็ตอนคอหักเข็มนะไปดูสิคอหักป่าทะลุเผ็นะเต็นมาแน่เปลือเต้นมาแ้วมันจะมาเต้นไม่พลาดนาเต็นไม่ชั่งนานพอมาทานต้องทานจะใช้กันไม่ใช่ว่าก็ตามอย่าไปโลนให้พระหลอก ให้พระบอกแก้กรมได้เราไปท่าเข้ามาแล้วให้สาเลสน้ำมลเหตุละเสือเจ้กรรมอย่างโน้นยึงร้าความดียึงไทยการกัดเรามาทายข้าความดีให้การเก่เอนาปัญนานิจารเอ๋อเกิดมามีการเกิดมาทำไรเกิดมาใช่มีร้าควาะเกดมา้างความดีใชมีควาเก่าใช่ไปรือขนหาคาหาเป็นคนตีกางนั่นเนี่ย โยมเนี่ทุกคนดูอัตา ม, มาที่พิการก็ชุดไม่พิตารเนี่ยาผ่าแล้วใครเคยลาผานหมเนี่ ย, ย, ยนนมีไหบอกกันหน่อยชื่อลาผ่าไปไงองนี้บอกมาแค่ผ่าเลยทีล่ละดูวอนไม่หมดเหลือแค่ทุกกำเกิดเลยนี่ยุกัำเ ก, กิดแบบชุกก้วฮะอยังไงใหญผ่าได้ช่ไหมลาผ่าเนี่ยปวดขาไปล้อหูเต็มไปหกเดือน อย่าร้องนะอย่าด่าดินฟ้าขาไปขอลูกขวานอย่าดาา่าดาินฟ้าขาดนะทำบุญให้แม่เถือนีมันนิดหละ่ะยนย่างที่พิเือมกกะลาต้องทำทุกตีทำบุญให้แผ่นดินทำบุญให้แม่จะคงคาแม่จะผายชายทักขายสุริบาข้างหลังถือเครื่องอุศงยห้ทำทาบุญให้แม่ถือตะกบแม่พลอยโมากะลาฆ่าปลาในนาคนแม่เราถึงจะโลม ทำบุญให้แมกระสอบของนี้มากระสอบเลยเอาอย่างนี้หยมทุกคนดูด้วยการตลดไกสารหมดกกลับบ้านเอาอมกบบ้านนี่ยังอยู่ร้อกระสอบดูให้จึ้งอยกระสอบหมดแล้วก็กลับเอาไหมเอาไหมไหนพูด่ดูทีสาจะหมดแล้วเนี่ยเียาอยู่ไ ยอมผู้หญิงบางคนก็นบอกว่าดูไม่เด้าลดท่าลงก้อขาไม่ว่จะพูดว่าอยู่เม่อยเทาย่าวงลูกจันไม่ไวงลูกเลยพูดอะไรรึมั้ยชายชาได้เด็กคนนั้นพูดายางไงในร่างหัวเรนะไม่ใช่พู ด, พ ด, ด, ดว่าลงก็อขาโยดายังยกกลับไปบ้านถามมือชาวคนมานอนแผน่นแล้วฉันจะไปนอนที่ไหนว่ะ ก็มานอนวันอาทิตย์ใ้อายมาอยู่ไม่ได้เลยฉันัวถามมือไเอาใครมานอนแทนแต่ฉันกลไปมนี่ก็นอนบ้านไหนไม่มีบ้านไม่เป็นไรมาอยู่ด้วยการพิวัหาคนทำงานอยู่เอาไหมเอาไหมเงียเงียเลยมองคนแบบกด็เออครับฉันอยากจะอยู่สิบห้ากันมาทำดีแล้วอยู่ย้อยถึงไม่ได้เลยไม่ได้ เดี er ua, ๋ยวมาโทรสากงนี้เสีงงบบ้านฮะับไปไม่กล <away> ับนะข้าจะต้องเอาคนอื่นมาแทนตรงนี้ลาถึงจะพางเลยลาไปช้างเลนไมว่าเราเสียงหนไม่เต็มนะเนกลับไปทำไมอายมไม่จะาอยู่อีกห้าวันจะกรับต้องลือกลับไปทำธุ้ะอ๋อคือกลับไปทำธเระแล้วก็ข้า อยากโหงกูทมาตรงที่่ที่ว่องไบอกให้ตรงอยากโหกง้ตสดามโกกตงนี้ไม่ได้เลยบอกเลยโมงดิเขาบอกไม่กลับตอไม่งหาถ้าจะหาคนมาแทนเลยมาโกหกลายลาถึงกับชาวเลยถูกไหมหมอไอเรื่องานี้ไม่รู้จะพูดัง เยมผู้หญิงดีมากทำไมมามาถาไม่เห็นไม่เห็นนะยมผู้ชายเขายังใจกว้างกว่ายมผู้หญิงมามากได้นายมผู้ชายมาเนาะได้มากเดือนท่านี้ได้มากกว่ายมผู้หญิงเพราะมันแน่นกว่ามากแน่ยมผู้หญิงมากมากจะได้เห็นขอโทษนะนี่พูดไม่ได้ว่ายมเจาะเจะเาะเะ ใจหนักแน่นโยงกิจยใจหนักแน่นแล้วก็ใจกว้างก็เด่นสามารถในตอนสมัยเป็นขุนวชิรนรใช่ไหมราชธานนั่งซื้อได้ของก i มายังราชธานได้แค่เราวามีให้คนอืไม่ได้ได้ั้ยได้มได้ไได้จะเท้าอยู่ที่มืะให้แต่ลน่นเ มาตอนยังน้องเจอการหายเขาไปแล้วเขาไม่อยู่แล้วก็ต้องหายด้วามจำเปกล้าร้อย h องหายด้วยความจำเป็นจำใจจำจรจำจับไอเขาต้เช็ดลงนะแมยไมั้งมมันเ่งป่วนถ้ายอมยังไม่มแล้วก็ดีถ้ายังไม่มอฝาก มือโลกมันคนตัวมือถัวมันคนให่อยู่เป็นสาวหน้าขเขียเป็นใหญ่ไม่ได้โยมพี่ชายเห็นด้วยไหมเห็นด้วยใช่ก็จะมือพยายามกลายล้อยเลี้ยงแล้วมาจะห้ามม้มอแค่เพียถ้าดูมือเลยถ้าไม่ดูนะอย่ามือดูกว่าถ้าไม่ดีโยมรางมีอที่หาก็ไปมันก็มีมาด้วยให้ซะกัน ถามเลยทนยังให้เขาตายคนยังไงอ่ฮะคนยังไงไม่ดีที่นายที่ให้เขาตายฮะก็ดีทำไมให้เขาหล่ะฮะอนโอ้โหเมืนาจาสิเขาอยากกินอยู่ฮะงงเลยให้เลยให้ความงใจเลยฮฮ เป็นการยมีลูกสิ่คนโอ้โหทำหายอย่เอาหมดแล้วใช่ะหมสบายเละสบายแลยหายก็ไปเถอะเพราะพติกรรมการจะ่อยากโกรธอยากเที่ยงซึ่งการลกรันรตรงให้อาภัยซึ่งการลกการแล้วก็แทนเมตาตาไปได้เพราะเห็นค่าการทก็เลยสาปกิดชนิขยันของจะอยา ก, ก, ายากยาให้มันหาหลังให้อาภายัอ ย, าอาายอย่าอบัยย่ามุมกในใจในใจห้ความสนิทสังคมแตกต่างกาลับไปบ้านขอให้ทำเป็น เสมกล้งเสมอปลายกระเลงกรรมฐานทุกอย่างมากน้อยเพียงใดก็กระเลงวะอย่าให้ขาดตอนระการใดชั่วช้างียบตาละยอมจะกระเลลุ่งเรียงกระเลสาาองตั้งแต่แบบนี้เป็นต้นเพราะอำนาจคุณมาทุกราตไปอำนาจบุญวิถึงหมืองหายเกิดประานพรไม่อยากเวินหญิงเดินชายผู้นอนหยุดในประจักษ์หนองการจะใช้เวรใช้กัน ทำมันหมดขึ้นไปนั้นแบบนี้ขาด้าล้วจะไปสร้างเวรสร้างความต่อไปเรื่อยขอใี้ทุกรานี้ลดลงขึ้นมากบะทิกอะไรก็ให้สำเด็ดกาปก็หมายและจุดประสงค์ที่สรงตั้งารมาทุกประกาะขอความถูกสวัสดีจงมีแก่ผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านขอทุกท่านจงกระเริ่ก็ด้วยอายุวันหน้าสุขภาภะปฏิภาณพนาสารสมบัติไม่คยสิ่งอื่นการใดข่มความเมืมากั้งหนาในการทุกข์ชิงงาน ถ้าโอกอาสบักนี้เทนขอเจริญพรที่อิทธิชั่น